ในมาขึ้นโตเทยะมานวกะปัญหานิเทศที่9ท่านโตเทยะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ากามทั้งหลายย่อมไม่มีอยู่ในผู้ใดตันหาย่อมไม่มีแก่ผู้ใดและผู้ใดข้ามพ้นจากความสงสัยได้แล้ววิโมกของผู้นั้นเป็นเช่นไรนี่นะคือคนที่ไม่มีกามไม่มีตันหา ข้ามพ้นวิจิติจฉานี่เอ๊ะไอความพ้นของเขาเป็นยังไงตัวบรรลุเขาเป็นยังไงนั่นะคถามว่ากามทั้งหลายย่อมไม่มีอยู่ในผู้ใดความว่ากามทั้งหลายย่อมไม่มีอยู่คือไม่อยู่ร่วมไม่มาอยู่ในผู้ใดคาว่าตัณหาย่อมไม่มีแก่ผู้ใดความว่าตัณหาคือไม่มีไม่ปรากฏไม่ประจักษ์แกผู้ใดคือตัณหาอันผู้ใดละได้แล้วสงบแล้วระงับแล้วทาให้ไม่อาจเกิดขึ้น เผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานคําว่าผู้ใดข้ามพ้นจากความสงสัยได้แล้วความว่าผู้ใดข้ามแล้วคือข้ามขึ้นแล้วข้ามพ้นล่วงแล้วก้าวล่วงแล้วเป็นไปล่วงแล้วจากความสงสยัยถามว่าวิโมกของผู้นั้นเป็นเช่นไรคือพราหมณย่อมทูลถามถึงวิโมกว่าวิโมกของผู้นั้นเป็นอย่างไรมีสันฐานอย่างไรมีประการอย่างไรมีส่วนเปรียบอย่างไรอันบุคคล น, นั้นเพึงปรารถนาเนี่ย ผลสรุปว่าการทั้งหลายย่อมไม่มีอยู่ในผู้ใดตันหา ย, ย่อมไม่มีแก่ผู้ใดและผู้ใดข้ามพ้นความสงสัยได้แล้ววิโมกของผู้นั้นเป็นอย่างไรคือคาถามเนี่ยเนื่องจากว่าคนถามนี่ไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจว่าไอ้ความสินมส้นการสิ้นตันหาสิน้นความสงสัยนั่นแหละมันเป็นวิโมก ก็เอผู้ที่เขาบรรลุกาเอ่อผู้ที่หมดกามหมดตัณหาหมดความสงสัยเนี่ยเขาหลุดพ้นอะไรจริงไอ้คาว่าหลุดพ้นก็คือหลุดพ้นจากกามหลุดพ้นจากตัณหาหลุดพ้นจากความสงสัยนี่แหละท่านพระองค์ก็เลยตอบว่ากามทั้งหลายย่อมไม่มีอยู่ในผู้ใดตัณหาย่อมไม่มีแก่ผู้ใดและผู้ใดพ้นแล้วจากความสงสัยได้แล้วเนี่ยนะวิโมก ย, ย่างอื่นของผู้นั้นย่อมไม่มีความหลุดพ้นพิเศษไม่มีหรอกพา่าไอ้ความหลุดพ้นจริงๆก็คือ ไม่มีกามไม่มีตันหาข้ามความสงสัยนั่นแหละไม่ได้มีความหลุดพ้นอะไรที่อื่นรอกอันนะพวกพวกที่เรียกว่ากามไม่มีในผู้ใดก็หมายถึงพาดหันและขีนาศพเนี่ยนะคือเพราะท่านเหล่านั้นอะ่ะเป็นผู้ที่กําหนดรู้ว่าถูกกามและก็ละกิเลสกามได้แล้วที่บอกว่ากามมย่อมไม่มีความว่ากามทั้งหลายไม่มีอยู่คือย่อมไม่อยู่ร่วมไม่มาอยู่ในผู้ใดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากามทั้งหลาย ไม่มีอยู่ในผู้ใดคําว่าตัณหาย่อมไม่มีแก่ผู้ใดนะตัณหาก็ตัณหาในอารมณ์6คือรูปปัตนหาสถัตตันหาคันธตัณหารัสตัณหาโพธพาตัณหาธรรมตัณหาอันตัณหาไม่มีแก่ผู้ใดคือตัณหาไม่ย่อมไม่มีคือไม่ปรากฏไม่ประจักษ์แก่ผู้ใดเพราะว่าตัณหานั้นอันผู้ใดละสงบประงับทําให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสียจแล้วด้วยไฟคือยาน คำว่ากระถังกรถาเป็นชื่อของวิจิกิจฉาก็ความสงสัยในทุกความสงสัยในทุกขสมุทัยความสงสัยในทุกขานิโรธความสงสัยในทุกขานิโรธาคามิหนีปฏิปทาความสงสัยในอดีตความสงสัยในอนาคตความสงสัยทั้งที่อดีตอนาคตความสงสัยในปฏิจจสมุปบาท น, นะความที่จิตวาดใจสนเทศ น, นะก็ถือเอาเป็นหนึ่งไม่ได้นี่เรียกว่ากระถังกรถา บอกว่าผู้ใดข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วก็คือข้ามขึ้นข้ามพ้นล่วงก้าวล่วงเป็นไปล่วงจากความสงสัยได้แล้วคำ ว, ว่าวิโมกอย่างอื่นของผู้นั้นไม่มีความว่าวิโมกอย่างอื่นอันเป็นเครื่องให้หลุดพ้นได้ของผู้นั้นย่อมไม่มีผู้นั้นควรทํากิจด้วยวิโมกอย่างไร ฉะนั้นสรุปว่ากามทั้งหลายย่อมไม่มีอยู่ในผู้ใดตัณหา ย, ย่อมไม่มีแก่ผู้ใดผู้ใดข้ามพ้นจากความสงสัยได้แล้ววิโมกอย่างอื่นของผู้นั้นไม่มีเพราะวิโมกขก็คือการพ้นกามพ้นตัณหาพ้นสงสัยนั่นแหละที่เรียกว่าการบรรลุนะไปขอความถามหาที่บรรลุเหมือนกับเอ๊ะบรรลุยังไง น, นะคนไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีความสงสัยเขาบรรลุอะไรก็คือบรรลุกะบรรลุความสิ้นกามเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าบรรลุละ นี้ถามว่าผู้นั้นเนี่ยไม่มีความหวังหรือหวังอยู่ถ้าบรรลุนังที่กล่าวไปนะยังหวังหรือเลิกหวังละมีปัญญาหรือมีความก่อตันก่อด้วยตัณหาและทิฏฐิด้วยปัญญาข้าแต่พระสกกะข้าพระองค์จะพึงรู้จักมุนีได้อย่างไรข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีสมัญตะจกักษุขอพระองค์ตรัสบอกให้แจ้งซึ่งปัญญานั้นแก่ข้าพระองค์ คำว่าผู้นั้นไม่มีความหวังหรือว่ายังมีความหวังอยู่คือผู้นั้นเนี่ยไม่มีตันหาหรือยังมีตันหาอยู่ก็ยังสงสัยเอ๊ะผู้ที่บรรลุเนี่ยตกลงเอาไงเน่ ย, ยังมีตันหาหรือไม่มีนอเหมือนกันคือย่อมหวังจํานงยินดีปรารถนารักใคร่ชอบใจซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะสกุลคณะอาวาสลาบยศสรรเสริญสุขจีวรบินทบาทเสนาสนะและกิรณานะปัจจัยเภสั์บริคาร กามาธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกามาพบรูปรพบอรูปรพสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญาณสัญญาภพเอกโวการภพจตุวการภพปัญจุวการภพอดีตอนาคตปัจจุบันรูปที่เห็นเสียงที่ฟัง เ, เสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบธทรมารมณ์ที่พึงรู้แจง้งสรุปว่าผู้นั้นยังมีหวังหรือไม่มีหวังหมดตันหาหรือว่ายังมีตันหาหมือนั้น คำว่าผู้มีปัญญาคือมีปัญญาก็คือเป็นบัณฑิตมีปัญญามีความรู้มียานมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทำลายกิเลสคําว่าหรือมีความก่อตันหาทิฐิด้วยปัญญาคําว่าหรือว่าย่อมก่อตันหาทิฐิคือยังตันหาหรือทิฐิให้เกิดให้เกิดพร้อมให้บังเกิดให้บังเกิดเฉพาะด้วยยานในสมาบัติ8ด้วยยานคืออภิญยาหหรือด้วยมิจฉาญานะเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นยังก่อก่อตันหาที่ที่ด้วยปัญญาหรือเปล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าสักกะนะคำว่าสักกะนี้หมายถึงว่าพระองค์นี้ทรงผนวดจากสกยสกุลเพราะฉะนั้นจึงเรียวกว่าพระสักกะหรืออีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากนับว่ามีทรัพย์เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าพระสักกะ พระองค์มีทรัพย์เหล่านี้รัพย์คืออะไรก็คือทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลรัพย์คือหิริรัพย์คือโอตตะทรัพย์คือสุตตะรัพย์คือจาคะทรัพย์คือปัญญาพระองค์มีซัพย์คือสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีย์พระละโพชชงอริยมรรคเนี่ยนะพระองค์มีซับคืออริยผลนิพพานพันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากนับว่ามีทรับอันนัด้วยซัพย์ ดังว่ารัตนะหลายอย่างเหล่านั้นนะรัตนะคือซับคืออริยซับเจ็ดซับคือโพธิปักขิยธรรมมรรคผลนิพพานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีซับแบบนั้นเลยเรียกว่าสักกะ อีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้องอาจเนี่ยนะผู้อาจสา ม, มารถผู้กล้าแกล้ากล้าหน้าไม่คลาดไม่วาเสียวไม่สะดุง้งไม่หนีละความกลัวความขลาดเสียแล้วปราศจากความเป็นผู้มีขนลุกขนพองพร ะ, ะพระองค์จึงชื่อว่าพระสกกะข้าแต่พระสกกะข้าพระองค์จะรู้จักมุนีได้อย่างไรคือ ข้าแต่พระสกกะข้าพระองค์จะพึงรู้จักคือพึงรู้แจ้งรู้แจ้งเฉพาะรู้ประจักซึ่งมุนีได้อย่างไรองขอข้าพระองค์ทูลถามทูลวิงวอนเชื้อเชิญขอให้ประสาทซึ่งปัญหาใดขอพระองค์เนี่ยโปรดตรัส บ, บอกอนี่นะประกาศให้แจ่มแจ้งด้วยนะสพันยุตยานเรียกว่าพระสมันตะจักสุพระตถาคตชื่อว่าพระมีพระสมันตะจักสุนี่นะ สรุปว่าผู้นั้นไม่มีความหวังหรือยังมีความหวังนะพระอรหันต์ที่ถามถึงเนี่ยนะท่านยังมีหวังหรือไม่หวังมีปัญญาหรือมีความก่อด้วยปัญหาทิฐิด้วยปัญญาข้าแต่พระสกกะข้าพระองค์จะพึงรู้จักมุนีได้อย่างไรข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีสมัญต์จักสขุขอพระองค์โปรดตรัสบอกให้แจ้งซึ่งปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าผู้นั้นไม่มีความหวังไม่หวังอยู่มีปัญญาและไม่มีความก่อตันหาทิฐิด้วยปัญญาดูก่อนโตเถยะท่านจงรู้จักมุนีผู้ไม่มีเครื่องกังวลผู้ไม่คล้องในกามและพบแม้อย่างนี้นะสรุปว่าท่านเป็นผู้ไม่มีกิเลสแล้วละนะท่านเป็นมุนีมีโมเนยธรรมจริงๆเนะท่านไม่คล้องไม่กังวลในกามในพบแม้แต่อย่างเดียว คำว่าผู้นั้นไม่มีความหวังความว่าผู้นั้นเนี่ยไม่มีตัญหาไม่เป็นไปกับด้วยตัญหาไม่หวังไม่จำนงไม่ยินดีไม่ปรารถนาไม่รักใครไม่ชอบใจซึ่งรูปเสียงกลิ่นรถโพธะพะธรรมรมเนี่ยนะท่านไม่มีตัญหาในสกุลคณะอาวาสลาบยศสรรเสริญสุขจีวนบินธบาเสนาสนะคีลาณปัจัยเภสัชบริคาร ในการมาท่ารูปประทัดอรูปประทัดในการมาพบรูปประพบอรูปประพบในสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการาภพจตุโการาภพปัญจโการาภพอดีตอนาคตปัจจุบันรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินนะกลิ่นรสโภภพธพภะที่ได้ทราบธรรมารมทั้งหลายที่รู้แจ้งเนี่ยนะนะนะเพราะฉะนั้นท่านผู้นั้นนะ่ะไม่มีความหวังท่านไม่หวังอยู่ ผูนั้นเป็นผู้มีปัญญาคือผู้นั้นเป็นบัณฑิตมีปัญญามีความตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทำลายกิเลส น, นะไม่มีความก่อคือไม่ก่อด้วยตันหากับทิฏฐิด้วยปัญญาความว่าผู้นั้นย่อมไม่ก่อซึ่งตันหาหรือทิฏฐิคือไม่ยังตันหาหรือทิฏฐิให้เกิดให้เกิดพร้อมให้บังเกิดให้บังเกิดเฉพาะด้วยญาณในสมาบัต 8, ิ8ด้วยญาณคือยรพิญญาหหรือด้วยมิจฉาญาณนะนนะเพราะฉะนั้นท่านผู้นั้นไม่ก่อตันหาทิฏฐิด้วยปัญญา เนื่องจากมีปัญญาเนี่ยจึงไม่ก่อตันหาไม่ก่อทิฏฐิขึ้นเนี่ยนะปัญญาที่มีก็คือปัญญาเห็นอริยสัจเมื่อมีปัญญาเห็นอริยสัจก็ไม่ก่อตันหาก่อทิฏฐิยานท่านเรียกว่าโมนะอ่าโมนะก็คือในคําว่ามุนีนะก็คือผู้มีโมเนยธรรมนั่นเองท่านผู้นั้นเนี่ยนะคือพระอรหันต์นั้นอนะ่ะไม่มีเครื่องกังวลนะคนระเครื่องกังวลคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตเนี่ยนะ เครื่องกังวลเหล่านี้อันมูนีไดละได้แล้วตัดขาดแล้วสงบประงับทําให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นมูนีนั้นจึงเรียกว่าผู้ไม่มีกังวลท่านนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีเครื่องกังวลไม่ข้องในกามและพบไม่ค้องในกิเลสกามและวัตถุกามไม่คล้องในกามมาพบไม่คล้องในกรรมมาพบและอุปัติพบไม่คล้องทั้งกรรมไม่คล้องทั้งวิบากนันะ เพราะฉะนั้นสรุปว่าผู้ไม่มีเครื่องกังวลไม่คล่องคือไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องไม่ผัวพันออกไปสลัดออกหลุดพ้นไม่ประกอบในกามในภพมีใจอันทำให้ปราศจากแดนเขตแดนอยู่อันสรุปว่าพระอรหันตนั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังไม่หมั้งไม่หวังอยู่เป็นผู้มีปัญญาและไม่มีความก่อตัณหาทิฐิด้วยปัญญา ดูก่อนโตทยะท่านจงรู้จักมุนีผู้ไม่มีเครื่องกังวลผู้ไม่ขล่องในกามและพบแม้อย่างนี้เนี่ยนะก็คือถามถึงคุณธรรมของผ้าอรหันต์เพราะฉะนั้นพอฟังจบก็โหบรรลุเป็นผ้าอรหันต์ด้วยนะท่านท่านโตทยะก็บรรลุเป็นผ้าอรหันต์พร้อมกับสิทธิ์ของท่านส่วนเทวดาและมนุษย์ที่มาฟังร่วมก็บรรลุอริยผลเบื้องล่างนะ อันะ้นโซดาสกะทาคามีอนาคามีเนี่ยนะก็ล่างกว่าอรหัน